ครั้งก่อนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์นั้นได้รับอกุศลกรรมที่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้เคยประพฤติได้เคยกระทําเอาไว้นั่นทาให้รู้ว่ากิเลสที่ผู้ใดยังละไม่ได้กิเลสเนี่ยมันจะก่อทุกข์ก่อโทษก็ให้ก่อกรรมทําชั่วต่างๆอย่างเช่น กรรมที่พระ อ, องค์ได้รับคือสะเก็ดหินมากระทบคือกรรมในอดีตก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดในตระกูลหนึ่งในเวลาเป็นเด็กกําลังเล่นอยู่ที่ถนนใหญ่เห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเที่ยวบินทบัติอยู่ในถนนก็เลยคิดว่าสมณะโล้นนี่จะไปไหนเห็นแล้วไม่ตาพานนะจึงถือเอาสะเก็ดหินเนี่ยคว้างไปที่หลังเท้าของท่านหนังหลังเท้าของท่านขาด โลหิตไหลออกเห็นแล้วแบโดยอัธยาศัยนักเลงหน่อยนะปาเข้าไปเลยเฉียดแล้วแบบบาดขาเพราะกรรมอันลามกนั้นพระโพธิสัตว์นั้นได้เสวยทุกอย่างมหันในนรกหลายพันปีอย่าคิดว่าเด็กทำแล้วไม่เป็นกรรมแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดการห่อพระโลหิตขึ้นเพราะสะเก็ดหินกระทบที่หลังพระบาทด้วยอํานาจ กรรมเก่ากรรมอ น, นี้แหละที่พระเทวทัตเนี่ยกลิ้งเห็นจึงมามากระทบเข้าพระองค์จึงตรัสว่าในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระประเจก พ, พุทธเจ้าในหนทางจึงคว้างสะเก็ดหินใส่เพราะวิบากของกรรมนั้นในพบหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงประกอบนายขมังธนูเพื่อฆ่าเรา ขนาดเป็นเด็กทํากรรมนะนะกรรมก็ไม่ได้ละเว้นหรือว่าโอ้สมัยนั้นฉันเป็นเด็กนะเจตนาเหล่านั้นขออย่าได้มีผลเลยไม่ใช่ไม่มีผลนะเด็กใส่บาตรือเด็กคิดให้ทานเด็กนั้นนั้นก็เป็นกุศลไปเมื่อเด็กคิดชั่วทําชั่วเนี่ยนะเด็กก็เป็นบาปเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงคนโตนะอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าช้างธนะปาลกะที่เขาส่งไปเพื่อให้ฆ่าพระพุทธเจ้า ช้างนั้นชื่อว่านาลาคิรินาลาคิริงกชวรังอะนะในบทสวดพุท ธ, ธชยมงคณคาถาทีนี้กรรมมันมนั้นที่ช้างเนี่ยนะวิ่งมาเพื่อที่จะฆ่าพระพุทธเจ้ามาจากกรรมว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดเป็นคนเลี้ยงช้างขึ้นช้างเที่ยวไปก็เหมือนกับพวกช้างมาจากสุรินหรือเปล่าแต่ที่จริงก็บอกว่าช้างสุรินกับช้างเชียงใหม่กันแหละพอกันไม่รู้ว่าช้างที่ไหนก็ไม่รู้ ทีนี้ขณะที่ขึ้นช้างเที่ยวไปนั้นก็เห็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าในหนทางใหญ่ก็เลยคิดว่าคนหัวโลนเนี่ยมาจากไหน เ, นะหงไงนะเนี่ยนะระหัดยังไงนะกับศีรษะเนี่ยนะเขบอกว่าเป็นผู้มีจิตถูกโทสะกระทบแล้วเกิดเป็นใจใจเนี่ยเหมือนตะปูเนี่ยตรึงเข้าตะปูตรึงใจก็คืออันหนึ่งก็คือโทสะโทสะนี่ก็เกิดขึ้นเห็นแล้วไม่ชอบใจได้ทําช้างนั้นให้ขัดเครือง ทำให้ช้างเนี่ยโกรธพระวังนั้นจะเล่นงานทระด้วยกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เสวยทุกข์ในอบายหลายพันปีในอัตภาพหลังสุดได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกระทำพระเจ้าอชาติศัตรูให้เป็นสหายแล้วให้สัญญากันว่ามหาวพิษพระองค์ทรงปรงพระชนพระบิดาแล้วจงเป็นพระราชาอาตมาภาพฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าวางแผนกันใช่ไหม พระ อ, องค์ก็ครองทางโลกไปอัตมา ก, ก็ครองทางาศาสนาไปต่างคนก็ต่างเป็นใหญ่ทั้งคู่เลยอยู่มาวันหนึ่งพอวางแผนการเสร็จอยู่มาวันหนึ่งก็ไปยังโรงช้างตามที่พระราชาทรงอนุญาตแล้วก็สั่งคนเลี้ยงช้างว่าพรุ่งนี้ท่านจงให้ช้างนาลาคีรีดื่มเหล้าสิบหกหม้อเอาเหล้ากรอกปากช้างแล้วก็ปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวไปบญธบัต ทีนี้ชาวนครทั้งสิ้นก็มีเสียงเออกเกิกมากมายชนทั้งหลายกล่าวกันว่าเราจะดูการต่อยุทธของนาคือช้างกับนาคือพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็พากันผูกเตียงและเตียงซ้อนกันในถนนหลวงในด้านทั้งสองนึกว่าจะไปห้ามใช่ไหมเปล่าวจะไปดูเข า, าก็จะใครจะชนะกันคนนึงก็พิลึกเหมือนกันนะนึกว่าจะห้ามไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นจะไปดูไอ้ฝ่ายไหนจะชนะแล้วก็ประชุมกันแต่เช้าตรู่ ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาการปฏิบัติพระสริระแล้วอันมูพิกษุห้อมล้อมเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชครึกขณะนั้นพวกคนเลี้ยงช้างปล่อยช้างนาลาคีโดยทานองที่กล่าวแล้วนั่นแหละช้างนาลาคีก็ทำลายถนนและทางสี่แพร่งเป็นต้นเดินมาครั้งนั้นหญิงผู้หนึ่งพาเด็กเดินข้ามถนนช้างเห็นเด็กหญิงนั้นจึงไล่ติดตามไป เห็นใครก็จะเล่นงานหมดอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านี่เนี่ยนาราคิรีเธอถูกเขาส่งมาเพื่อจะฆ่าหญิงนั้นก็หาม่ได้เธอจงมาทางนี้มานี่มานี่คนที่ฆ่าอยู่ทางนี้ไงช้างนั้นได้ฟังเสียงนั้นก็วิ่งบ่ายหน้ามุ่งไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาอันควรแก่การแผ่ไปในจักรวาลอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ ไปในช้างนาลาคีรีตัวเดียวเท่านั้นปกติเนี่ยพระเมตตาของพระ อ, องค์เนี่ยไม่มีที่สุดแพ่ไปในสัตว์เนี่ยในจักรวาลหาที่สุดไม่ได้ทีนี้ประมวลเมตตาทั้งหมดเนี่ยพุ่งมาที่ช้างตัวเดียวประมวลความคิดอ น, นั้นตมาที่ช้างตัวเดียวด้วยอํานาจแห่งเมตตาช้างนาลาคีรีนั้นอันพระเมตตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกต้องแล้วกลายเป็นช้างที่ไม่มีภัยหมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระหัตถ์ลงบนกระหม่อมของช้างนาลาคิรีนั้นครั้งนั้นเทวดาและพรหมเป็นต้นเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยเป็นจึงพากันบูชาด้วยดอกไม้และเกสรดอกไม้เป็นต้นในพระนครทั้งสิน้นได้มีกองทรัพ์ประมาณถึงเขา่าพระราชารับสั่งให้เที่ยวตีกรองเป่าร้องว่ารั์ที่ประตูด้านทิศตะวันตกจงเป็นของชาวพระนครรั์ที่ประตูด้านทิศตะวันออก จงนาเข้าท้องพระคลังหลวงคนทั้งปวงก็กระทำอย่างนั้นแล้วครั้งนั้นช้างนาลาคีได้มีชื่อว่าธนบานรักษาทรัพย์เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังพระเวลุวรณารามด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในการก่อนเราได้เป็นนายควานช้างได้ทำช้างให้โกรธพระปัเจ ก, กมุนีผู้สูงสุดผู้กำลังเที่ยวบินทบัตอยู่นั้น เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นช้างนาลาคิรีตัวดุร้ายหมุนเข้ามาประจันในบุรีอันประเสริฐชื่อว่าคิริพระชะคือกรุงราชครึกมันกรรมมันนั้นก็ยังตามมาให้ผลขนาดเป็นพระผู้มีพระภาคกรรมนั้นก็ยังไม่ละเว้นเลยเนาะอันนี้เศษๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นประเภทอป ร, ราปริยะเวทนียกรรมส่วนเนี่ยอุปชาเนี่ยตกนรกไปเรียบร้อยแล้ว ที่ถ้าทำนี่ก็ได้รับไปตั้งกตชาตินั้นเรียบร้อยแล้ว น, นี่เสร็จเสร็จมาเฉยๆขนาดพระพุทธเจ้า น, นี่เป็นผู้ที่มีสุดยอดแห่งประโยชคะขนาดพระองค์เนี่ยประโยชคะดีเยี่ยมขนาดนั้นเนี่ยนะกรรมก็ยังตามให้ได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยถึงมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระองค์ไม่ทํากรรมใหม่พระองค์จะไม่ทํากรรมใหม่เพราะจิตของพระองค์เป็นกิริยาจิตเป็นกิริยาจิตที่เป็นไปกับเมตตากรุณาเป็นต้น อีกกรรมหนึ่งนะผลของกรรมีอย่างหนึ่งก็คือการผ่าฝีด้วยศาสัตราคือตัดด้วยผึ่งด้วยศาสัตราชื่อว่าสัทธัดเฉทะพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกหมอชีวกเนี่ยผ่าเท้าทีนี้กรรมก็มาจากที่พระเทวทัตกลิ้งมาเนี่ยนะพระโลหิตเนี่ยห่อขึ้นจะต้องถูกผ่าออทีนี้กรรมอะไรบอกว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระราชาในปัจจันตประเทศพระโพธิสัตว์นั้นเป็นนักเลง ด้วยอำนาจการคลุกคลีกันกับคนชั่วด้วยอำนาจการอยู่ในปัจจันตะประเทศเป็นคนหยาบช้าอยู่มาวันหนึ่งถือมีดเดินเท้าเปล่าเที่ยวไปในเมืองนะว่าเป็นนักเลงอะนะคือถ้าหากว่าใครอยู่ตามชนบทเนี่ยนะพวกพวกวัยรุ่นตโตๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะก็จะหามีดหาอะไรที่มาพกมาเหน็บติดเอวติดหลังติดอะไรกันไปเรื่อยะนะเดินไป อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็เที่ยวไปในเมืองก็เอามีดเนี่ยไปฆ่าฟันคนผู้ไม่มีความผิดแล้วก็ไปเอ้ยอันนี้มันน่าตา ย, ยก็เลยฉับเข้าไปก็ตายเลยอะ่ะจริง น, นะบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยที่มีอาวุธอยู่ในมือนะไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอะไรนะบาทีมันความคึกขนองเท่านั้นเองสมมุติถ้าไม่มีอะไรอยู่ในในในตัวเลยนะคนเดินเหยียบเท้าเนี่ยแบบขอโทษนะอไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหากว่ามีอาวุธหรือมีอะไรอยู่กับตัวหรือพวกมาเยอะเนี่ยนะ ได้ต้องแนะนําให้เขารู้ซะหน่อยว่าเราก็มาเหมือนกันอย่างนั้นพวกอกุศลหรือการเข้ป่าประมิตรจะเป็นลักษณะนั้นด้วยวิบากแห่งกรรมอลาโมกนั้นพระโพธิสัตว์นั้นไม่อยู่ในนรกหลายพันปีเอออยไปดูถูกสัตว์นรกบางตัวนะเป็นพระโพธิสัตว์เช่ยวนะเสวยทุกอยู่ในทุกขติมีเดรัจฉานเป็นต้นเสร็จษก็ยังมาให้เป็นเดรัจฉานอีก ด้วยวิบากที่เหลือในอัตภาพหลังสุดแม้ได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังก็ได้เกิดห่อพระโลหิตขึ้นเพราะก้อนหินที่พระเทวทัตกลิ้งใส่กระทบเอาโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังหมอชีวกผ่าหนังที่บวมขึ้นนั้นด้วยเมตตาจิตการกระทําพระโลหิตให้ห่อขึ้นของพระเทวทัตผู้มีจิตอันเป็นค่าศึกได้เป็นอนันตริยกรรมหนักเหมือนกับค่าพ่อค่าแม่นั่นแหละ ทำพระโลหติตพระพุทธเจ้าให้ห่อเนี่ยส่วนการผ่าหนังที่บวมขึ้นของหมอชีวกผู้มีจิตเมตตาได้เป็นบุญอย่างเดียวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นคนเดินเท้าฆ่าคนทั้งหลายด้วยหอกด้วยวิบากของกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อยู่ในนรกอย่างรุนแรงด้วยเศษของกรรมนั้นมาบัดนี้เขาจึงตัดหนังที่เท้าของเราเสียสิ้นเพราะยังไม่หมดกรรม ยังมาเฉือนเอาเท้าไปบ้างเลยนะบางส่วนเศษเศษโอ้แล้วนี่ถ้าหากว่าคนที่กําลังทํากรรมจังๆแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนเนาะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนยังว่าเก็บที่ไหนที่ตาไงรับสีที่ไม่ดีที่หูรับเสียงที่ไม่ดีที่จมูกรับกลิ่นที่ไม่ดีที่ลิ้นรับรสที่ไม่ดีที่กายที่เจ็บป่วยทุกทรมานแล้วก็ที่ใจอ่นะที่ผวังอ่ะ ภวังที่เป็นอกุศลวิบากภวังที่เป็นอกุศลวิบากเช่นเดรัจฉานอย่างไงใช่ไหมเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์นรกพวกนั้นเทรานอกุศลเนี่ยมันก็ไปฝากไว้ในภวังเหล่านั้นนั่นแหละไปฝากไว้ในอหิยตุกจิตเหล่านั้นที่จริงแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะวันวั น, วนหนึ่งเนี่ยเรารับอกุศลวิบากมากกว่ากุศลวิบากเช่นเสียงที่มันดังเกินไปบ้างกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บ้าง หรือว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานต่างๆบ้างการเห็นมดเห็นแมลงเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอากุศลวิบากนั่นแหละทําให้ได้เห็นวันวัๆหนึ่งเนี่ยรับอกุศลวิบากมากมายมหาศาลแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันพวกเรานั้นที่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญเน่ยนะโดยมากรับกุศลวิบาก ส, ส่วนมากฉนั้นแต่ก็มีอากุศลวิบากมาแซมๆเหมือนนะมาเจอเจอให้เห็นว่าเออ ได้ทําบ่าวไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่าบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นอากาศเริ่มหนาวเย็นเนี่ยบางคนเนี่ก็หนาวเย็นจนหาผ้าห่มยังไม่ได้เลยทุกขากายญาวิญญาณก็เกิดตลอดหนาวเย็นบางคนเนี่ยนะอาประเภทหอยหิวก็มีมีมากมายมหาศาลบางคนเนี่ยที่เจ็บป่วยทุกข์ทรมานก็มีอยู่ตลอดบางคนก็นอนหยอดน้ําเกลือติ๊งติ๊ ง, งอย่างนั้นแหละบางคนก็กําลังได้รับการผ่าตัดใช่ไหม บางคนก็ปวดตาบางคนก็ปวดหูบางคนก็ปวดเท้าปวดแขนมันก็มีแต่ที่ปวดนั่นแหละที่ทุกทรมานบาปมันก็ไปให้ผลอยู่แถวนั้นแหละที่ไหนมีขันธ์าอากุศลมันก็ให้ผลตรงนั้นแหละให้ผลทางตาบ้างให้ผลทางหูบ้างให้ผลทางจมูกบ้างให้ผลทางลิ้นบ้างให้ผลทางกายบ้างแต่ว่าที่ให้ผลที่น่ากลัวที่สุดคือให้ผลทางใจ เพราะมันก่อให้ปฏิสนธิในอบายทุคติวินิบาศนรกให้ผลทางตาเนี่ยเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมแค่เห็นสีที่ไม่น่าปรารถนาแต่ก็ถือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไได้ยินเสียงที่ไม่ดีเช่นถูกด่าบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าธรรมดาไปแต่ถ้าหากว่าปฏิสนธิในอบายแล้วเนี่ยนะในภารบัณฑิตสูตรกล่าวว่าซว ย, ยิ่งกว่านักเลงการพนันที่ที่ไม่ชํานาญน่ยนะไปเสียการพนันหมดตัวหมดทรัพย์หมดลูกหมดเมีย ว, ว่างนะั้น แพ้จนถึงกหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะส่วนคนพาลที่กอ่อกรรมทําชั่วไปสู่อาบายทุกขติวินิบาสนรกเนี่ยซวยกว่านั้นหลายสิบเท่านักเพราะว่าพอไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาสนรกแล้วก็เคยเห็นสุนัขจัดนิทรรศการให้ทานนัไร้ยประเพณีสุนักให้ทานมีไหมไม่มีพอไปเกิดในอาบายแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสทํากุศลง่ายๆนะอุ้ยเมื่อไหร่ได้ข่าวสักทีนึ่งว่าสักตัวนั้นนะมีเมตตาหน้าดูเลย ค่าปินโตตามผ้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วนั่นแหละไอ้ที่กัดคนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเนี่ยทําเหตุที่ที่ชั่วๆนี่มากบอกว่าพอไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกแล้วเนี่ยที่จะได้คืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยยากคนอื่นก็บอกว่าจะไปยากยังไงเห็นคนอื่นเขาก็มนุษย์เนี่ยเกิดเอามากขึ้นมากขึ้นนั่นคนอื่นแล้วเราอ่ะเปอร์เซ็นที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์คืนอีกมากขนาดไหนคนอื่นเขามีบุญอ่ะนะเขาอาจจะได้มาเกิด แต่ที้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราที่สะสมสิ่งที่ทําคําที่พูดจิตที่คิดวันๆหนึ่งกรรมที่ร่วงกรรมมา บ, บทเนี่ยเยอะนะเยอะไหมกายกรรมกายกรรมเนี่ยอปานาทิบาตอาทินาทานกาเมอาจจะไม่มีวจีกรรมมีไหมวจีกรรมนี่ก็ไม่ค่อยวางเว้นตงกันเจอกันนึกว่าหลายกันนั่งจอ่อสามชั่วโมงยังไม่เลิกเลยแล้วความคิดน่ะใครไม่คิดบ้างอ่ะ นั้นความคิดเนี่ยเกิดมากก็เป็นมโนกรรมอุทจจะยังมีผลเลยอุทจจะสัมประยุทธ์ยังมีผลเลยแต่ให้ผลในประวัติการได้ปัญจิตที่เหลือนั้นน่ะถ้าเรื่องกรรมบทสามารถให้ผลนําเกิดได้เมื่อให้ผลนําเกิดได้เนี่ยสังวรใด้ดีเถอะท่านทั้งหลายรักษาตัวท่านกันแล้วกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะรักษาตัวข้าพเจ้าเหมือนนันรักษาอะไรก็รักษาเจตนานั่นเอง อันพระพุทธเจ้าจึงกล่าวอย่างงี้นะให้มีธรรมะเป็นเกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งให้มีตนเป็นเกาะให้มีตนเป็นที่พึ่งสมมติถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องกรรมอย่างนี้แล้วเราเราเอาอะไรเป็นเกาะของชีวิตในขณะนี้พอศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปปุ๊บเนี่ยนะเรามีที่พึ่งหรือยังใช่ไหมเราต้องนึกถึงที่พึ่งให้ได้นะถ้าเรายังพอพูดเรื่องบุญเรื่องบาปปั๊บเนี่ยจิตใจเนี่ย ก็เรียกว่าเศร้ามองเลยนะแสดงว่าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยดีเวลาฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมปั๊บฝากฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยทํำยังไงไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นและเมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นปั๊บนะพอเราฟังเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรมปั๊บ พยายามนึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้จิตเศร้าหมองเศร้าหมองไปกับบาปอากุศลหาอะไรคิดให้เป็นกุศลได้อันวิธีที่คิดให้จิตเป็นกุศลได้ไม่ยากนักก็คือการทรงจําธรรมะสักหมวดหนึ่งแล้วก็ ค, ค่อยคิดตามพระธรรมหมวดนั้นๆบ่อยๆเจริญพระธรรมนั้นๆให้มากคิดถึงพระธรรมหมวดนั้นๆบ่อยๆ เสร็จแล้วก็ถ้าหากว่ามันชาไปก็หาพระธรรมหมวดใหม่ๆขึ้นมาอีกจิตมันได้และกุศลชักไม่ค่อยเกิดแล้วหาพระธรรมหมวดใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะฉนนั้ผู้ที่สามารถที่จะทรงจําพระสูตรได้สักสูตรหรือสองสูตรเนี่ยนะช่วยได้เยอะถ้าไม่ได้อะไรก็อิติปิโสพระควาอย่างเดียวยก็ยังดีอย่าปล่อยให้จิตมันเศร้ามองนะักเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตเศร้ามองเนี่ยใครคือศัตรูเรารู้ไหมถ้าเราปล่อยให้จิตไปเป็นบาปเป็นอกุศลใครเป็นศัตรูของเรา ก็เราเองนั่นแหละแต่แล้วนึกว่าคนอื่นเขาโน้นเขาด่าเราคนโน้นเขาทําให้เราคนโน้นเขาแช่งเราแต่ที่ไหนได้ใจเราแช่งเราเองเพราะเราปล่อยให้จิตเศ้าหมองปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปกับอกุศลถ้าเราปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นอกุศล่ะถูกเขาด่าบ้างก็รับไปเถอะเพราะเพราะอะไรเพราะเหตุเราทําเป็นประจําใช่ไหมถ้าหากว่าอากุศลไม่ให้ผลเนี่ยคาสอนพระพุทธเจ้าผิดนะ แต่นี้คําสอนไม่ผิดแน่นอนนั้นกรรมมีผลเมื่อกกรรมมีผลเนี่ยพยายามศึกษาเรื่องกุศลกรรมให้มากๆเถอะเพราะว่ากุศลกรรมที่บุคคลอบรมพอกพูนเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพระพุทธเจ้านี้พระองค์สิ้นกรรมไปแล้วเพราะพระองค์เนี่ยเจริญกุศลธรรมจนสิ้นกรรมนั้นของเราก็ศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจแล้วก็พอกพูนกุศลกรรมเพราะยังไงเราคิดอยู่แล้วใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยใครไม่คิดก็คือคนหลับ ขนาดหลับก็ยังคิดอีกเพราะว่ารู้อารมณ์แต่เตื่นเตือนอยู่อย่างนี้มองเห็นตัดคิดเลยสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นกรรมประเภทไหนเพราะชาวนะของปุทุชนไม่กุศลก็อกุศลหรือเราจะปล่อยจิตแบบวาเหโดยที่ไม่มีคำสอนเลยก็บอกว่าการมองอะไรโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยคนนั้นไม่มีสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสัมปชัญญะขณะนั้นไม่มีตาตนาขณะนั้นนั้นไม่มีตาตนา ถ้ามองฟ้าเนี่ยเฮ้ยเวรงวางก็คิดไปตามเรื่องตามราวนะปล่อยให้จิตเป็นอุทธะสัมปยุตขณะนั้นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเช่นพ่คือเราทําได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คําสอนก็คือคําสอนแั้วถ้าหากว่ากุศ ล, ลจิตไม่เกิดต่อเนื่องจริงๆนะจะวินิจฉัยอกุศลที่เกิดขึ้นไม่ได้ นะต้องกุศลจิตเกิดนั้นแน่นระดับหนึ่งแล้วจึงจะวินิจฉัยว่าทําไมอากุศลจิตนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปัจจัยอะไรจึงทําให้โทสะเกิดขึ้นจะเริ่มวินิจฉัยแล้วผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นอะ่ะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะได้รับการวิเคราะห์นะเพราะว่าศึกษาเรื่องปริญญามาแล้วใช่ไหมศึกษาเรื่องตีรณะปริญญาหรือว่ายาตะปริญญามาแล้วทําให้ไม่ปล่อยสมมุติโทสะเกิดขึ้น ก็เอาโทสะนั่นแหละเป็นอารมณ์แห่งการพิจารณาด้วยทําไมจึงโกรธทําไมจึงมีโทสะโทสะนั้นเกิดด้วยปัจจัยอะไรโทรสะมีโทษไหมแล้วโทษของโทสะจะให้ผลเป็นอย่างไรอัน น, นัการพิจารณาลักษณะนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาด้วยเนะีเพราะเป็นกรร ม, มสกตายาตะปริญญานี่บริบูรณ์ที่ไหนปัจจะยปริกหายานปัจจะยปริกหายานก็คือกรร ม, มสกกตายา น, นนั่นเอง กรรมสักการะนี่จนถึงปั จ, จยะประิกหายางถ้าหากว่าเราพิจารณาบ่อยๆขึ้นจะรู้ว่าเออเจตนาในความคิดเรามีผลอย่างน้อยที่สุดจะรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้มีผลและผลของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลอย่างไรถ้าเราปล่อยให้อกุศลจิตเกิดขึ้นให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรเจริญไหมอย่างน้อยที่สุดขนาดนั้นนะัสติก็จะเกิดขึ้นแล้วก็หักห้ามไม่ให้จิตเป็น ไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลนี้ถ้าหากว่าปัญญาเรามีความคมกล้า ม, มากขึ้นก็สา ม, มารถที่จะวินิจฉัยเรื่องตรงนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นผู้ที่มีบทธรรมมากๆเช่นมีความรู้ในเรื่องขันธ์ธาตุอริยตนะมากๆหรือมีความรู้ในเรื่องสักจะมากๆก็จะมีการวินิจฉัยพิจารณาธรรมะตรงนั้นอย่างละเอียดละออนในอารมณ์เดียวกันนั้นถ้าได้รับการพิจารณาแล้ว อกุศลจะเกิดอีกค่อนข้างยากคือถึงเกิดอีกก็จะไม่รุนแรงเท่าเก่าเราสมมติถ้าเราเสียใจยมากเพราะแก้วแตกถ้าเรามีการพิจารณาเรื่องนั้นเป็นอย่างดีวันหลังแก้วจะแตกนะเราจะไม่เสียใจยเท่าครั้งก่อนเลยถึงแก้วนั้นเราจะรักมากกว่าเก่าก็ตามแต่เพราะได้รับการพิจารณาเพราะได้อุปนิสัยล้วท่นได้อุปนิสัยทั้นการพิจารณานั้นอ่ะเป็นกิจที่ควรทําถ้าไม่พิจารณานะปัญญาเสื่อม ถ้าพิจารณาบ่อยๆเป็นเหตุแห่งปัญญาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราพิจารณาปั๊บส่วนใหญ่และจะพิจารณาต่อไปไม่ได้จะหวนหุนสะดุดทําไมจึงเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเราเรียนวิชามาไม่ดีเรียกว่าเรียนเวทมนต์มาไม่ดีผีมาเลยท่องไม่ถูกเลยเป็นลักษณะ น, น, นั้นฉัน้นแสดงว่าเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราพิจารณาลงคําสอนไม่ได้เพราะเราเรียนธรรมะเข้าใจน้อยไปในเรื่องนั้นๆ ก็ดีละที่เรารู้ตัวจะได้กลับมาศึกษาพระธรรมใหม่ในเรื่องนั้นๆให้ละเอียดมากขึ้นจะได้เตรียมอาวุธมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเห็นโทษนะก็รู้จักเข็ดนะไม่ใช่เอะเกิดมาเป็นตุชนอกุศลมันจะเกิดบ้างเพาไม่เป็นไรปล่อยๆมันไปวันจิตชนิดนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆนะพระพุทธเจ้า ก, ก็แก้ไขไม่ได้แร้วถ้าปล่อยให้แนวความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะต่อไปมันจะชินมันจะชา เราจะไม่เห็นโทษของความคิดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราหุลติดตามพระผู้มีพระภาคไปบิณฑบาตโอ้พระองค์เนี่ยหล่อจังเลยนะพระพุทธเจ้านี่ทําไมงามแท้เหมือนกับสำเพาทองอันใหญ่เดินไปข้างหน้าเราก็ ง, งามด้วยเหมือนสําเพาทองติดตามไปข้างหลังเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่โอ้งามจริงๆเลยอะพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลียวมาหันมาพระราหุนเลยนะสอนเรื่องปฏิปูลสอนธรรมะตรงนั้นพระราหุลไม่ได้บิณฑบาตรอกวันนั้น พอองค์ไม่ปล่อยให้ความคิดอ น, นันเกิดขึ้นต่อไปอีกนี่กับพระราหุล น, นี่นั้นของเราก็เหมือนกันถ้าอากุศลเกิดขึ้นนะให้เห็นโทษอกุศลโดยความเป็นโทษก่อนส่วนจะสังวรใน้มากน้อยขนาดไหนก็ค่อยๆทำไปแต่ให้รู้ว่าอะไรมีโทษกับไม่มีโทษก่อนเป็นอันดับต้นความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสาระจริงๆของคำสอนเบื้องต้นให้รู้ว่าอากุศลมีโทษกุศลมีโทษถึงละไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ให้เห็นก่อนเห็นก่อนแล้วตั้งใจบ่อยๆเดี๋ยวจะทําได้เองหลายเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ถ้าหากว่าถ้าเรามีฮิริโอตปะปาเกิดขึ้นนะต่อไปจะทําได้โอ้หอธรร ม, มไม่อยากเชื่อเลยจะอดข้าวเย็นได้ไมเด็กๆเนี่ยทานเกือบวันละห้ามื้อมั้งข้าวเย็นเสร็จไปเที่ยวก่อนเที่ยวกลับมากินข้าวอีกแล้วก็นอนอวันนึงหลายมือ้อเกือบสิบมื้อมั้งว่าห้ามื้อเลยเห็นอะไรก็ S <S <an> เห็นผลลมากลากมาอยู่บนยอดยังขึ้นเอาเลยอะ่ะแต่ก็เอนานๆเข้าก็อดได้เหมือนกันนะเขายืนอดอดมาเกือบสิบ ป, ปีแล้วเพราะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆนะแล้วเห็นโทษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเดียวก็ทาได้ในส่วนอื่นๆก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันเราทําได้ถ้ามีศรัทธาในกุศลธรรมเพียงพอถ้าหากว่าเราเห็นโทษฮิริโอตปะก็จะเกิดขึ้นถึงโกรธเราก็ไม่เปล่งวาจาที่ใกล้ต่อความโกรธ ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องโทษของความโกรธเราไม่สามารถที่จะไม่ให้โกรธได้แต่เราห้ามไม่พูดได้ในขณะนั้นเราปิดปากก็ยังไม่พูดก่อนก็ได้นะเดี๋ยววันหลังสบายใจก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องนั้นใหม่เนี่ยให้บรรยากาศมันพร้อมก่อนพันสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือเช่นที่เขาเรียกว่าพ่อแม่แนะนําลูกถ้าไม่โกรธก็ไม่มีคําสอนเลยอะโกรธเมื่อไรเนี่ยโอ้โหคําสอนไม่รู้มาจากไหนพรั่งพรูไปหมดเลย ไอคำสอนเนี่ยดีแล้วแต่จิตที่เกิดโทสะขนาดนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นไอคำเดียวกันนั้นเน่ะเมื่อไร่หายโกรธแล้วค่อยพูดได้ไหมก็สอนคำเดียวนั้นแหละแต่ว่าขอเลื่อนเลื่อนเวลาอีกหน่อยให้ไม่มีโทสะในขณะนั้นก่อนให้มีเมตตาจิตก่อนเขาบอกว่าโทสะกับโทสะมันใกล้กันคนพูดด้วยโทสะนะอีกคนหนึ่งฟังรู้ทันทีเลยใช่ไหมไม่ต้องพูดหรอกโยไว้แค่สีหน้ามองแววตากันพักเดียวเนี่ยใครโกรธเรานะ เราจะมองออกใช่ไม้มเดี๋ยวพักเดียวตึงเหิดตึงเงิดเอ๊ะเราจะเอาคืนม <c oughs> นากเจริญพาที่นี้ต่อไปนะอีกกรรมหนึ่งก็คืออ า, าพาธที่ศีรษะเวทนาที่เกิดที่ศีรษะพระพุทธเจ้าก็เคยปวดเสียนกรรมอะไรที่ทำให้พระองค์ปวดเสียนก็มาจากว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงหาประมงก็คือคนหาปลา วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกับพวกบุรุษชาวประมงก็ไปยังที่ที่ฆ่าปลาเห็นปลาทั้งหลายตายได้ทํำสมนัตให้เกิดขึ้นในข้อที่ปลาตายนั้นแม้บุรุษชาวประมงที่ไปด้วยกันก็ทําความสมนัติให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โหดีใจมากงานนิย่าเราไปเบื่อปลาได้มาเต็มเลยนะโอโ้ยิ้มแป้เลยอะคล้ายๆกับ มันมีเอ่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันเป็นคล้ายๆหัวมันนะก็คล้ายๆกับมันสําบปะหลังนั่นแหละทีนี้เอามาแขวงในน้ําปลามันจะเมาเมาแล้วมันก็จะตายแล้วจะลอยหรือว่ายาบงยางอย่างมันจะเมาแล้วมันจะลอยขึ้นแค่กับเบื่อปลาทีนี้เบื่อแล้วได้มาเยอะๆก็ดีใจใช่ไหมพอโพธิสัตว์ไปเห็นโอ้โหนี้ญาติได้ปลามาเยอะยิ้มแป้เลยนะดีใจกับญาติด้วยมาดูที่กรรมจะเป็นยังไง อากุศลกรรมบทสี่สิบหนึ่งค่าเองสองใช้ให้คนอื่นค่าสามชักชวนในการค่าสี่ยินดีในการค่านะน่ะบาปทั้งนั้นแหละพวกนี้ก็ยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีอ่ะบอกว่าด้วยอากุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยทุกในอบายทั้งสี่ในอัตภาพหลังสุดนี้บังเกิดในตระกูลสักยาราช พร้อมกับบุรุษเหล่านั้นแม้จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลําดับแล้วก็ยังได้เสวยความเจ็บป่วยที่ศรีรษะด้วยตนเองปวดเสียนเลยนะพระพุทธเจ้าอเสนาบดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีเนี่ยก็มาแต่งตั้งให้วิทูธภาเนี่ยปกครองราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าประเสิทธิโกศนก็เรียกว่าช่วงชิงราชบัลลังก์มาทีนี้เจ้าวิทูธภาเนี่ย พอได้ราชบัลลังก์แล้วก็คิดแค้นศากยตระกูลที่ที่ครั้งหนึ่งที่เคยไปเยี่ยมศากยตระกูลแล้วก็ศากยตระกูลเนี่ยทําร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงมากถึงขนาดว่าที่ที่เจ้าวิทูธพะไปนั่งเนี่ยถึงก็เอาน้ํานมเนี่ยมาล้างเรียกว่าคนเปื้อนวันหน้านะคนตระกูลต่ํามานั่งที่สูงเนี่ยพันเจ้าวิทูธพะผูกพยาบาทไว้ว่าวันนี้พวกเจ้าศักยะเอาน้ํานมมาล้างตัง ที่เรานั่งวันหน้าเราจะเอาเลือดในลําคอของเจ้าักยะเนี่ยมาล้างต่างันนั้นคืนผูกอาฆาตไว้ขอให้เราได้เป็นพระราชาก่อนเมื่อไหร่ทีนี้ตอนหลังนี้พอได้เป็นพระราชาสมความปรารถนาแล้วก็ยกทัพมาเลยยกทัพมาพระ อ, องค์ก็มาห้ามอยู่สองาครั้งครั้งที่สามพระองค์ก็เลิกห้ามอ่ครั้งที่สี่ ท, 4. ทีนี้ก็เลยเข้าไปก็ฆ่าักยะเนี่ยตายเป็นเบือเลย พันคนที่ไม่ได้พูดว่าคําว่าสักยะเท่า น, นั้นน่ะรอดตายไปท่านเป็นสักยะใช่ไหมถ้าบอกย่าอันนี้แน่รอดตายถ้าบอกใช่อนนี้นถูกตัดคอหมดแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงไงสักยะเลยสูญพันธมาเลือนหน่อยๆท่า น, น, นถูกตัดคอเนี่ยเรียบเขาบอกว่ากรรมอะไรที่เจ้าสักยะถูกฆ่านั่นก็คือกรรมที่ไปเบื่อปลานั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงนั้นพระองค์ก็ปวดเสียอันนี้นก็เศษเศษที่ไปดีใจกับเขามา อนอ่าสามารถดูได้ในปุพพวักในคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องเจ้าวิทูพะด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเห็นปลาทั้งหลายถูกฆ่าได้ยังความโส ม, มนัดดีใจให้เกิดขึ้นคล้ายๆกับของอดัมมาสมัยเด็กๆนะเดี๋ยวถ้าพ่อไปหาปลาได้เยอะเนี่ยโอ้ยิ้มเหลดีใจมากตอนหลังม า, าศึกษาธรรมะเนี่ยสงสารอยมพ่อนะ โอเนี่ยเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยานะโอ้โหบาปเพียบเลย อ, ะอ่ะอ่าเพราะวิบากของกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีสะได้มีแก่เราแล้วในคราวที่เจ้าวิธูถภะฆ่าสัตว์ทั้งหมดนะคือฆ่าเจ้าสกยะตอนที่สกยะตายเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ปวดพระเสียนด้วยทั้งทั้งที่ตอนนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พระชนมายุได้เกือบแปดสิบพรรษาแล้วเหตุการณ์ที่ที่สกยะถูกฆ่าเนี่ยอายุแปดสิบแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเองก็เคยฉันข้าวสารแห่งข้าวแดงในเมืองเวสาลีก็คือในเมืองเวรัญชานะก็คือได้รับการฉันข้าวแดงก็คือเมืองเวรัญชาก็อยู่อยู่ในละแวกเมืองไทยาลีนั่นเองพวกฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนด้วยกันฉันเข้ามากรรอะไรเนาอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังฉันข้าวแดงอ่ะนะทั้งทังที่กษัตริย์อุปถัมมากมาย ได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดในตระกูลหนึ่งเพราะอำนาจชาติและเพราะความเป็นอันตรอานธะแปลว่าบอดภาละแปลว่าโง่าละลักษณะภาละประทานภาละนิมิตคืออะไรลักษณะของคนพาลคือหนึ่งนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลนี่ก็คือพาละลักษณะทางกาย พา ล, ลักษณะทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจอ้อนี่เรียกว่าพา ล, ลักษณะทางวาจาส่วนพา ล, ลักษณะทางใจก็คืออภิชาพยาปาทะและมิชชาทิฐิแต่นี้่โ ง, ง่แบบนี้ไม่พอนะอันทะบอดอกีกแสดงว่าไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรมาสักอย่างเลยแล้วก็ พอดีเกิดในตระกูลสูงด้วยใช่ไหมมานะก็แก่กล้าถือว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะทีนี้เห็นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพนามว่าผุษะฉันข้าวน้ำอันอร่อยเห็นพระกำลังฉันข้าวดีๆเนี่ยและโพชนาแห่งข้าวสาลีเป็นต้นพระเนี่ยฉันอาหารดีนะที่ที่เขานิมนต์ไปก็ถวายที่อาหารที่ประนีตตามภาษาคนเกิดมีกิเลสเนี่ยก็บอกว่าดาว่า เฮ้ยพวกส ม, มณะโลนพวกท่านจงกินข้าวแดงเถอะอย่ากินโพชนะแห่งข้าวสาลีเลยโอ้ปากเจ้ากรรมนะเหมือนกับปลากินเบ็ดเลยนะหุบเข้าไปทีเดียวนะไปด่าคนมีตินมีธรรมเข้าเพราะวิบากแห่งอากุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงเสวยทุกข์อยู่ในอบายทั้งสี่หลายพันปีไมพูดไม่กี่คำ น, นะตกนรกเป็นพันพันปีเลยก็เหมือนกับไปด่าคนสักไม่กี่คนเนี่ยถูกฟ้องอยู่ในคุกติดตารางหลายปีเลยนะ ไปด่าคนฉันสูงมากยิ่งติดตารางนานันคำพูดเนี่ยมันมีโทษจริงๆนะอย่าอย่าว่าทางธรรมเลยทางโลกเนี่ยพูดผิดการผิดสถานที่ผิดบุคคลเนี่ยไปดูหมิ่นคนที่บางคนเข้าเนี่ยถูกฟ้องเนี่ยหน้ามืดเลยนะเข้าคุกเข้าตารางหลายคนเนี่ยเพ่นออกนอ ก, นอกประเทศเพราะคำพูดไม่กี่คำเองทีนี้ต่อไปนะว่าด้วยวิบากแห่งกรรมที่ไปด่าอยู่อย่างเงี้ยก็ตกนรกร้ายผ่านปีในอัตภาพหลังสุด ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับเมื่อทรงกระทําความอนุเคราะห์ชาวโลกสเสด็จเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีทั้งหลายสมัยหนึ่งสเสด็จถึงโคนไม้เสดาวอันสมบูรณ์ด้วยกิ่งและขาคบณที่ใกล้เวรัญชพรามคมก็คือหมู่บ้านเวรัญชคมเวรัญชพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไม่อาจจะเอาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ด้วยเหตุหลายประการได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ก็คือไปถึงก็ไปด่าพระพุทธเจ้าหลายคําไปพูดเสียดสีหลายเรื่องพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหาแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเขาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเสด็จเข้าจําพรรษาในที่นี้แหละย่อมควรฟังเทศจบโอ้มีศรัทธา ม, มากนิมนต์พระพุทธเจ้าจําพรรษาเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคํานิมนต์โดยดุษเนียภาพแต่ว่ารับแหละจําเดิมแต่วันรุ่งขึ้นไป มารผู้มีบาปก็ได้กระทำการโดนใจชาวบ้านเวรัญชพรามขามทั้งสิ้นไม่ได้แม้แต่คนเดียวผู้จะถวายภิกษาสักทพีหนึ่งคือไปบินทบาทเนี่ยนะบาทเปล่าเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยนะล้างบาทยังไงขากลับก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะบาทเนี่ยสะอาดยิงเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยไปแทรกไม่ให้คนแต่และคนเนี่ยมีศรัทธาก็คิดดูนะเวรัญชพรามเป็นพระโสดาบันยังทาให้ลืมไปเลย ทำให้ลืมว่าเออเมืองเรามีพระพุทธเจ้ามาจำมันษาอยู่ด้วยนึกไม่ออกไม่นึกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีัาราแต่มันนึกไม่ได้เหมือนจําไม่ได้นะทีนี้พระองค์ก็ไปบิณฑบาตก็ไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีบาดเปล่าอันที่สูงห้อมล้อมเสด็จกลับมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จกลับมาอย่างนั้นพวกพ่อค้าม้าที่อยู่ในที่นั้นแหละก็ได้ถวายทานในวันนั้นจําเดิมแต่วันนั้นไป ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพิสูจน์สองห้าร้อยเป็นบริวารได้ทําการแบ่งจากอาหารม้าห้าร้อยตัวนั่นก็คือเขาเอาเข้าเปลือกเนี่ยนะมันนึ่งให้มันสุกเขาก็เอาไว้ให้ม้ากินอะ่ะทีนี้ก็แบ่งไอ้พวกนั้นแหละมาถวายพระก็คือเอามาซ้อมเป็นข้าวแดงก็คือเอามาตําเป็นใกล้ๆข้าวกล้องเนี่ยนะแต่ว่ามันสุกแล้วแล้วก็ใส่ลงในบาตของภิสูจทั้งหลาย เทวดาหลายพันแห่งจักรกวาลทั้งสิ้นก็ผ่ากันใส่ทิพโอชาเหมือนในวันที่นางสุชาดาหุงข้าวปลายาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีโอชาเพราะว่าเทวดาเนี่ยใส่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสเวยข้าวแดงตลอดไตรมอดอ ด, ด้วยประการอย่างนี้เมื่อล่วงไปสามเดือนการดนใจของมารก็หายไปในวันปวารณาเวรันชพราหมณ์ก็ระลึกขึ้นได้เพิ่งนึกได่อา้าวนิมนต์พระมาจำบรรดาทั้งสามเดือนละ ได้ถึงความสลดใจอย่างใหญ่หลวงสังเวชใจโอ้โหสามเดือนนี่นึกไม่ถึงเลยอ่ะได้ถวายมหาทานแก่พิกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายบังคมแล้วก็ขอให้ทรงอดโทษด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราได้ด่า บ, บริภาษสาสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระผู้มีพระภาคท่านามว่าพุทธว่าพวกท่านจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอยากกินข้าวสาลีเลย ด้วยวิบากของกรรมนั้นเราจึงได้เคี้ยวกินข้าวแดงตลอดไตรมาสคือสามเดือนเพราะว่าในคราวนั้นเราอันพรามนิมนแล้วจึงได้อยู่ในบ้านโวยรัญชาถูกนิมนแล้วเจ้าของนิมนลืมเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีทรัพย์ไม่ใช่ไม่มีศรัทธาแต่นึกไม่ออกและอีกกรรมหนึ่งก็คือปวดหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยปวดปวดหลังมากอาพาธที่หลัง กรรอะไรมาเนอะเวลาแสดงทำไปก็อปวดหลังพักหน่อยสารีบุตรแสดงต่อหรือให้พระอานุ์แสดงต่อเป็นต้นได้ยินว่าในอดีตการพระโพ ธ, ธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเคหรหบดีสมบูรณ์ด้วยกําลังได้เป็นคนค่อนข้างเตี้ยแต่ว่ากําลังเนี่ยก็มีกําลังมากแต่ว่าเตี้ยแต่ว่าก็มีฐานะดีสมัยนั้นเนี่ยนักต่อสู้ด้วยการต่อสู้ด้วยมวยปล้ำคนหนึ่งมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทําการต่อสู้ด้วย มวยปล้ำที่กําลังเดินไปอยู่ในคามนิคมและราชธานีทั้งหลายทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ได้ทําพวกบุรุษลม้มลงได้รับชัยชนะนะก็คือนักมวยปล้ำอะแชมป์มาคือเรียกว่าท้าชิงไปเรื่อยอะใครเก่งมาเลยคือมวยสมัยก่อนไม่มีเวทีนะถ้าถ้าเป็นมวยสมัยโบราณโบราณหน่อยไม่มีเวทีถ้าเจอกันมาเนี่ยทางนี้เหมือนเหมือนกับขออภยัยนะเหมือนกับวัวชนกันอะ่ะต่างโน้นต่างนี้ยก็คํารามใส่กันแล้วก็พักหนึ่งอะ่ะ แล้วก็ฝ่ายชนะหรือว่าแพ้กันอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นแชมป์โลกกันนะท่องเที่ยวมานอนไม่เคยแพ้ใครเลยทีนี้ก็มาถึงเมืองเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เข้าโดยลําดับทีนี้ก็ได้ทําพวกคนในเมืองแม้นั้นให้ล้มลงแล้วก็เริ่มจะไปชนะมาหลายคนแล้วจะจับไปคราวนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเออผู้นี้ได้รับชัยชนะในที่ที่เป็นที่อยู่ของเราแล้วก็จะไป จึงมายังบริเวณพระนครในที่นั้นปรบมือแล้วกล่าวว่าท่านจงมาจงต่อสู้กับเราแล้วค่อยไปโบริสัตเอาว่างเลยนะแหมห ย, ยามกันไปมั่งอย่างนั้นจะจากที่นี่ไปง่ายๆได้เลยจะตบมือมาอเข้ามานักมวยปล้านั้นก็หัวเราะก็เลยคิดว่าบุรุษใหญ่โตเราก็ยังทําให้ล้มได้บุรุษผู้นี้เป็นคนเตี้ยมีธาตุเป็นคนเตี้ยย่อมไม่เพียงพอแม้แก่มือข้างเดียวจึงปรบมือบรนลื อ, อเดินมา นะโอ้ยเตี่ยเอ้ยมือข้างเดียวมจะอมือข้างเดียวนี่ก็ชนะแล้วมาเหมือนั้นคนทั้งสองนั้นก็จับมือกันแล้วกันพระโพธิสัตว์ก็ยกนักมวยปล้ำคนนั้นขึ้นแล้วก็หมุนในอากาศเมื่อจะให้ตกลงบนภาค พ, พื้นได้ทําลายกระดูกไหล่แล้วก็ให้ล้มลงบิดให้มันตกลงมาแล้วก็ไหลกระแทกบิดซะก่อนเขามีวิธีการใช่ไหมทําให้กระดูกเนี่ยเคล็ดไปเลย ชาวพระนครทั้งสิ้นก็ทําการโห่ร้องปรบมือบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยผ้าและอาพรเป็นต้นเห็นคนอื่นทำไ ม, มวยมวยภาคเราชนะใช่ไหยเราดีใจกับเขาไหมโอ้โดีใจใหญ่เลยนะกุศลเนี่ยกุศลถ้าเขาถูกต่สลบนะจะว่าไงถ้าฝ่ายโน้นสลบแล้วเราไปมุติตากับเขาเนี่ยไปดีใจกับเขาเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันหลังมาเนี่ยอาจจะถูกบูบง่ายๆเลยนะนั่งนั่งอยู่ก็ล้มแผลนั่นแหละนะทาไมอันนี้สองเคยไป ยินดีกับพวกที่ถูกน็อกมานั่งๆเลยล้มแผะเนี่ยลําบากกันนะทีนี้ชาวบ้านก็ดีใจด้วยกันแถบๆเลยอะพระโพธิสัตว์นี้ก็ให้นักต่อสู้ด้วยมวยปล้านั้นตรงๆแล้วก็ทํากระดูกไหลนั้นให้ตรงก็แก้ให้คืน่แต่ว่าสั่งสอนซะหน่อยอแค่กระดูกบิดๆเนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าท่านจงไปตั้งแต่นี้ต่อไปวั ง, งั้นท่านอย่ากระทํากรรมเห็นปานี้อีกแล้วก็ส่งไป ก็คือเลิกสาขาอาชีพเนี่ยมันไม่ดีหรอกอคล้ายสั่งสองอ่ะไปเยอะด้วยวิบากแห่งกํานั้นยังมีกรรมอีกพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยทุกที่ร่างกายและศีรษะเป็นต้นในภพที่เกิดแล้วที่เกิดแล้วนะปวดหลังปวดหัวเปิดม้วยไปทั้งตัวเนี่ยประจําหมือนนั้นเลยในอัตภาพหลังสุดแม้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เสวยทุกมีการเสียดแทงที่หลังเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ที่เบื้องพระปริศดาเกิดขึ้นในการบางคราว ที่นั่งแสดงธรรมไปก็ปวดหลังพระองค์จึงตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมกคลานะว่าจำเดิมแต่นี้ไปพวกเธอจงแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงลาดสุคตจีวรแล้วบันทมขึ้นชื่อว่ากรรมเก่าแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นไปได้อากุศลเจตนาที่ในอดีตที่เป็นอากุศลเนี่ยก็ไม่ไม่ปล่อยวางใครนะ เมื่อการปล้ำดำเนินการอยู่เราได้เบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ำให้ลำบากด้วยวิบากของกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังคือปวดหลังจึงได้มีแกเราอีกกรรมหนึ่งเนี่ยก่อนที่พระองค์ใกล้จะดับขันปรินิพานพระองค์เนี่ยถ่ายเป็นพระโลหิตถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยนะใช่ะคล้ายๆกับโรคบิดอย่างนั้นเนี่ได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเครืหบดีเลี้ยงชีวิตด้วยเวชกรรม เวชกรรมเวชะแปลว่ายากรรมที่ทำด้วยยาชีดไหนเกี่ยวกับยาหมอก็คือเป็นหมอนั่นเองใกล้ๆเภสัชน์นะเนาะพระโพธิสัตว์นั้ น, น, นเมื่อจะเยียวยาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งผู้ถูกโรคครอบงาจึงปรุงยาแล้วก็เยียวยาอาศัยความประมาทในการให้ทัยธรรมของบุตรเศรษฐีนั้นจึงให้อสถอีกขนาดหนึ่งได้กระทาการถ่ายโดยสารอกออก เศรษฐีได้ให้ทรับเป็นอันมากก็คือวางแผนรักษาให้มันยากเข้าไว้ใช่ัหมเสร็จแล้วจะได้ค่ารักษาเยอะๆอ่ะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นก็ไปทำให้คนไข้เจ็บมากขึ้นอ่ะมีโทษอ่ะพระโพธิสัตว์จึงได้ถูกอาพาธด้วยโรคลงโลหิตครอบงำในภพที่เกิดแล้วในภพที่เกิดแล้วถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยมาหลายชาติด้วยกัน ในอัตภาพหลังสุดแม่นี้ในสมัยปรินิพานคือใกล้ๆจะปรินิพานนะจึงได้มีการถ่ายด้วยการลงพระโลหิตในขณะที่สเสวยสุกระมัทวะที่นายจุนทะกรมมารบุตรปรุงถวายพร้อมกับพระกยาหารอันมีทิพโอชะที่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นใสลงไว้กำลังแสนโกรธเชือกได้ถึงความสิ้นไปขนาดพระ อ, องค์เคยมีเรี่ยวแรงมากมายมหาศาล เรียลแรงนี่ก็ซุดลงไปเลยนะหมดแรงเลยอะ่ะในวันเพ็ญเดือนหกพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปเพื่อต้องการปรินิพานในเมืองกุสินาราประทับนั่งในที่ล้าแห่งเนี่ยนะเดินไปพักไปเดินไปพักไปเนี่ยปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกำลังช้างเนี่ยช้างธรรมดาบ้านเราเนี่ยนะแสนโกดตัวจะมีกำลังเท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์แต่วันนั้นเนี่ยเดินไปพักไปเดินไปพักไปเนี่ยนะหอบสังขารยังไม่ไหวเลย ถ้าอายุ80 เ, เองอ่ะเนะาะเออ80เองโอ้ของเราเนี่ย80ยังเดินมาฟังธรรมกันอ่งหลายคนอะ่ะนิยมนั่นยังตั้งเกิน80 แ, แล้วก็ยังมีแรงเลยเนาะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเดินกลับบ้านต่งหลายกิโลไหวอะ่ะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปเมืองกุศินาราเดินไปพักไปเดินไปพักไปนั้นกรรมมันให้ผลนันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ในขณะที่เดินไปเนี่ยประทับนั่งร้ายแห่งระหายน้ํากระหายอ่ะนะทรงดื่มน้ํา สรงถึงเมืองกุสีนาราด้วยความลำบากอย่างมหันนะทุกขากาย ญ, ญาณเานนี่เกิดมากมายในขณะที่เดินทางไปแล้วเสด็จปรินิพานในเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของไตรโลกเห็นปานนั้นกรรมเก่าก็ไม่ละเวน้นนะที่เป็นโลปิยะกมามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเลิศนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดอะกรรมนั้นก็ไม่ละเวน้นพระองค์ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาบุตรของเศรษฐีด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันที่กาพาธจึงมีแก่เราพระชินเจ้าผู้บรรลุอภิญยาทั้งปวงทรงพยากรณต่อหน้าพิสุสงนะอนดัดสะใหญ่ด้วยประการชนีแ้แหลก็มีอีกกรรมหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยทรงกระหายน้าก็ใช้ให้พระอนอ์นไปตักน้ำมาพระอนลไปเห็นเนี่ยน้าขุ่น พระ อ, องค์ก็สั่งให้ไปตักอยู่สามครั้งพระ อ, อนุลจึงไปตักมาเวลาตักปั๊บน้ําก็ใสแจว๋วเอามาก็บอกว่ากรรมอะไรที่ทําให้ใช้พระ อ, อนุลให้ไปตักน้ําตั้งสามครั้งอะ่ะน้าขุนก็ไม่ตักมาให้อะ่ะก็บอกว่ากรรมที่พระ อ, องค์นั้นเนี่ยไปห้ามโคไม่ให้ดื่มน้ํานะเห็นน้ำมันสกรปรกก็บอกว่าเฮ้ยวัวอย่าเพิ่งดื่มเลยไปดื่มที่อื่นเถอะอันนั้นก็ยังมีผลอีกทําให้กระหายน้ํานะหาน้ําแม้แต่จะดื่มยังยากเลย เพราะว่ากรรมเหล่านั้นก็ติดตามพระองค์ไปแต่ว่าพระองค์นั้นได้สิ้นกรรมหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาปทานฝ่ายอากุศลชื่อว่าเป็นอันจบบริบูรณ์ด้วยการตั้งหัวข้อในปัญหาที่ท่านได้ปฏิญญาไว้ด้วยประการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาพระองค์นั้นทรงเรียรพร้อมด้วยภาคยธรรม เป็นพระมหาศัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วทรงประกอบด้วยคุณเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพาคบุญคือโชคผู้หักลานกิเลสผู้ประกอบด้วยพาคธรรมทั้งหลายผู้ทรงด้วยภาคธรรมทั้งหลายผู้ทรงจำแนกทำผู้ครบแล้วผู้คลายการไปในภพทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงพานาว่าระควา ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นเท้าสกะยิ่งกว่าเท้าสกะทรงเป็นพรมยิ่งกว่าพรมทรงเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภทสามนะหนึ่งสาวกกับพุทธปเจกับพุทธและก็สัมมาสัมพุทธอันพระองค์จึงเป็นพุทธยิ่งกว่าพุทธเมื่อจะทรงยกย่องคือทําให้ปรากฏซึ่งพุทธเจริยาคือเหตุแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ จึงได้ทรงภาษิทธ์คือธรรมบรลยายคือพระสูตรธรรมเทศนาที่ชื่อว่าพุทธาประธานิยะคือชื่อว่าประกาศเหตุแห่งพระพุทธเจ้าแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะพระองค์แสดงฝ่ายดีที่เป็นเหตุให้ได้พระพุทธเจ้าด้วยในขณะเดียวกันตอนท้ายท่านก็รวบรวมข้อความที่เป็นเหตุฝ่ายไม่ดีด้วยที่ติดตามมาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากรรมดีเขาก็ไม่ทิ้งนะ เ้าก็ตามเหมือนกับมิตรอ่ะเขาบอกว่ากรรมดีนี่เหมือนกับญาติมิตรที่ห่างจากกันไปนานเห็นการปับก็ต้อนรับเชื่อเชิญเนี่ยโอ้ดีเหลือเกินอย่างเงี้ยมาแล้วเลยมาถึงแล้วแล้วก็อุ้มชูอย่างดีเลยอกุศลกรรมชั่วก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับศัตรูที่ผูกพยาบาทไว้นานเพิ่งตามเจออ่ะซับใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่ยังอยู่ในสังสารวัตที่ทําทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้รับ แห่งผลทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วนะบางครั้งก็หวานเจี๊ยบเลยนะบางครั้งก็ขมคืนหน้าดูเลยก็เหมือนกับข้าวใช่ไหมในในในโต๊ะเดียวนั่นแหละไปตักมะละเข้ากับขมไปตักทองหยิบทองยอดเท่ากับหวานเจี๊ยบเลยนะก็ใกล้ๆกล้กันนั่นแหละอันผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ทั่วไปนี่ก็ทําใกล้ๆ ก, ก, กันบางคนเนี่ยทางตาเนี่ยดีนี่นะเห็นแต่รูปอารมณ์ที่ดีๆแต่ทุกขากาญญาวิญญาณเนี่ยเบียดเบียนมาก บางคนเนี่ยตาดีแต่หูไม่ดีบางคนเนี่ยตาหูดีแต่ลิ้นไม่ดีบางคนตาหูหัวไม่ค่อยดีแต่ละอย่างเนี่ยกรรมมันก็ตามแฟรกอะนะไอ้ส่วนแห่งกุศลก็ให้ไปอ ก, กุศลก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลและอ ก, กุศลนั่นแหละเหมือนกับมิตรและศัตรูที่ติดตามเราทั้งหลายไปสิ่งที่ น, น่ากลัวมากก็คือผู้ที่ไม่มีโอกาสถึงไตสรสารณคมเนี่ย ผู้ที่ไม่มีคําสอนเนี่ยนะเหมือนกับลูกกําพร้าเนี่ยลูกกาพร้าที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเนี่ยนะไปติดยาเสพติดเนี่ยน่าเป็นห่วงหน้าสงสารมากผู้ที่ไม่มีาศาสดาไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งพิงอั้นคนเหล่านั้นเนี่ยไปก่อกรรมทําชั่วอีกขนาดไหนและกรรมชั่วเหล่านั้นเวลามันให้ผลเนี่ยโอ้ยน้ําตาร่วงเลยแหละ่าพระเพื่อนองค์หนึ่งอะ่ะ ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะเขาโหทําทประมงมากฆ่าสัตว์มาเยอะตอนหลังมาบวชนี่มาบวชก็นึกถึงเมื่อไหร่ก็ร้อนใจทุกทีเลยนะคือกรรมชั่วที่ทำไปแล้วนนะนเนี่ยนะตอนทําเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่นานๆนเข้าเนี่ยเวลามันนึกถึงแล้วเนี่ยโหมันเจ็บจะบอกใครเลยคือว่าความทุกข์ที่เกิดจากการทําอาคุศลที่เรียกว่าวิปปิสารเนี่ยมันมันกินแหนงใจมากแล้วทีนี้ กุศลส่วนอื่นๆที่จะพึงประพฤติต่อไปได้มันก็ตัดขาดแทนที่จะทํากุศลต่อไปได้ก็กุศลก็ไม่ค่อยเกิดวิปฏิสารอันนี้เรียกว่าอุทธจักกุกุจจ์มันเป็นหนึ่งในนิวรห้าที่คอยหักข้ามคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นอันกรรมชั่วนะมันให้ผลแบบชาตินี้ก็คือวิปฏิสารมันจะได้ให้อุปนิสัยคือวิปฏิสารขึ้นมา ที น, นี้ว่าโดยนานะขาดค่นี้กักรรมปัจจัยอีกนั้นก็ตามให้เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะพูดสักคำหนึ่งจะทำจะคิดะจะเดินจะเหินเนี่ยพยายามตารบถึงกรรมให้มากๆคือปกติแล้วเป็นคนที่ปล่อยให้สมมติเวลาเราเดินกลับบ้านเนี่ยยังไงเราก็เดินกลับอยู่แล้วไอ้คิดเรื่อยเปื่อยก็คิดมานานแล้วลองคิดอะไรให้มันเป็นกุศลไปถึงพานดูนะลองฝึกคล้ายๆแบบนี้บ่อยๆ เดี๋ยวต่อไปเข้าเราก็จะฝึกในการเจริญกุศลค่อนข้างจะชำนาญมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเรานี่แหละจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาสัตว์ที่น่าสงสาร